ทุกคนก็ต้องพูดในสิ่งที่ตัวเองถนัดแล้วถ้าไม่ถนัดแล้วมันพูดได้ยังไงอย่ามันก็ฝื น, นแยกกันเรียนแล้วกันเนาะคนไหนที่อยากจะฟังเรื่องอะไรก็ห้องไล่เอ้ยห้องข่าวมันก็มีหลายห้องอยู่จะเป็นห้องการเมืองนะห้องอะไรนะันโอ้โหแต่หลวงพ็ยังไม่แค่ดูข่าวนิดหน่อยแต่ว่าคงลุยกันหน้าดูมั้งค่ะ ยัรู้ไหมเรื่องอะไรนะเ๋อเขามีการเหมือนกับว่าเหยียดคนแต่ว่าจริงๆคือเขาก็ก็คือคนที่ด้วยความที่เขาต้องการอะไรบางอย่างอ่ะค่ะก็แพ่นั่นเองต้องการอาจจะเขาเรียกในในคลับหรือว่าสมัยใหม่นะคะเขาเรียกว่าต้องการแสงค่ะค่ะต้องการแสงก็แต่ก็มันก็เป็นแค่แค่ความความอเขาเรียกความต้องการ ของคนกลุ่มเล็กๆอะไรเงี้ย น, นะคะแล้วก็ไม่รู้เท่าทันแค่นั้นเองค่ะมไม่ไม่มีอะไรค่ะแตนว่าบางคนเขาอาจจะรู้สึกว่าอืมโกรธไปก่อนแล้วอะไรเงี้ยค่ะดันั้น <c oughs> ๆๆที่จริงคนที่เขาว่าก็เป็นคนอีกเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แต่ก็นะคะนี่ละค่ะนะคะโลกมันก็เป็นแบบเนี้ยค่ะ <c oughs> ใช่นี่นะถ้าถ้าเราเป็นคนกลางนะ <c oughs> เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียเนาะ ก็ได้แต่เห็นตามความเป็นจริงที่ปรากฏขึ้นก็เห็นอย่างเนี้เห็นทางหูทางตาทางอะไรกันแล้วแต่แต่ตัวเราเนี่ยสมมุติเราใช้คําว่าตัวเรานี่่ะเป็นเป็นภาสาสมมุติเนี่ยได้ยินได้ฟังได้เห็นแต่ไม่เข้าไปร่วมด้วยเนี่ยก็เรียกว่าเห็นเนาะเห็นแต่ไม่เข้าไปเป็นเนี่ยมันง่ายมากเลยในการที่จะเข้าใจคําว่าเห็นไม่เข้าไปเป็นก็คืออย่างเนี้ยเห็นปรากฏการณ์เห็น เห็นทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก็ไม่เข้าไปไปร่วมร่วมในตรงนั้นด้วยก็เลยมันก็หลุดออกมาพ้นออกมาก็เหมือนกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นในกายในใจนี่แหละเออมันก็เป็นความเป็นมันมีอะไรเกิดเกิดดับมากมายเลยแต่ว่าถ้าจิตที่มีสติก็จะเห็นอยู่นะเห็นอยู่รู้อยู่แต่ไม่เข้าร่วมด้วยนะ แต่ตรงนี้ถ้าว่าไปแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นจิตที่ตั้งมัน่นเป็นจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้ดูเป็นผู้ดู น, ดนะอย่างตั้งมัน่นแต่ว่าถ้าไม่ตั้งมั่นเนี่ยมันก็แน่นอนเข้าไปคลุกวงเลยจุดละบวนวุ่นวายกับเก่าเพราะนั้นเวลาเขาสอนธรรมะบางทีเขาก็บอกว่าเออเนาะต้องทาสมาธิก่อนนะทำจิตให้มันส ง, งบสักหน่อยก่อนเพื่อที่จะเดินปัญญา อ, อันนี้ก็ถูกต้องนะเออเพราะว่า คนที่อย่างเริ่มต้นปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาเาไม่เคยมีสมาธิหรือไม่เคยจิตเขาไม่เคยสงบเลยเนาะเพราะนั้นเนี่ยเขาจะจะเดินปัญญาจะเห็นสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยก็ก็คงมองไม่ออกนะแต่ว่าถ้าคนที่มีประสบการณ์การฝึกเยอะแล้วเนี่ยก็เคยเข้าถึงจิตที่สงบระดับหนึ่งพวกนี้สามารถเดินปัญญาได้เพราะว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในในความสงบเนี่ยมันก็ปรากฏให้รู้ให้เห็นได้อยู่แล้วก็มีสติก็เป็นผู้ดูเป็นผู้เห็นเนี่ยเป็นผู้รูเป็นผู้เห็นก็ดูเหตุการณ์ไปเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้ก็จะเห็นเห็นสิ่งถูกเห็นน่ะเขาเรียกว่าเห็นเป็นใจลักษ์ได้แต่ทีนี้ขั้นถัดมาเนี่ยเมื่อเห็นแจ้งในใจลักษในสิ่งที่เป็นสิ่งถูกเห็นแล้วเนี่ยต่อมาต้องย้อนกลับมาที่ผู้เห็นย้อนกลับเลยถ้าไม่ย้อนกลับเนี่ยมัน มันมันตันมันตันทีนี้พอย้อนกลับมาที่ผู้เห็นก็จะพบว่าผู้เห็นก็ก็เกิดดับเหมือนกันเกิดดับจริงๆเลยผู้เห็นเนี่ยทีนี้เมื่อสิ่งถูกเห็นเกิดดับไม่ยึดถือแล้วผู้เห็นก็เป็นสิ่งเกิดดับไม่ยึดถือเนี่ยเท่ากับว่าปล่อยวางหมดเลยปล่อยวางเป็นขณะจิตที่ ท, ที่ที่รู้แบบนี้แต่นี้เรา ม, ามองให้เห็นภาพนะให้เห็นภาพเลยเวลา คนปฏิบัติธรรมเนี่ยอืหลวงพ่อจะยกตัวอย่างหลวงพ่อหรือจะยกใครสักคนหนึ่งก็ได้ลองนึกลองลองมนโนก็ได้หรือมองของตัวเองก็ได้เวลาเวลาพวกเราปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะเช่นนั่งขัดสมาธิเนะนั่งขัดสมาธิและปิดตาเนาะพอปิดตาเสร็จแล้วอ๋ออาจจะ ก, กําหนดอะไรทั้งอย่างหนึ่งเช่นพุโทโธก็ได้พุโทโธบริกรรมพุโทโธในใจไปเรื่อยพุโทโธพุโทโธพุทโธนะ ทีนี้พอพุทโธแล้วเนี่ยมันก็จะอย่างน้อยก็รู้พุทโธไว้ก่อนเลยอันดับแรกเพราะว่าพุทโธเนี่ยเป็นตัวล่อล่อสัตว์ล่อจิตนะให้มีสติคือมารู้อยู่กับพุทโธก็ล่อไปเรื่อยพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธทีนี้เมื่อทําไปทําไปเนี่ยพุทโธหายพุทโธคือหยุดไปอ่ะแล้วก็พุทโธหยุดทีนี้ถ้ามีสติก็จะระลึกได้ว่าอ้าพุทโธหยุด ก็เริ่มต้นพุทโธใหม่ฮะก็จะมีจิตรู้อันใหม่เกิดขึ้นก็รู้ต่อไปพุทโธพุทโธพุทโธไปแล้วเอ้าพุทโธหายอีกแล้วแล้วก็รู้อีกว่าพุทโธหายแล้วก็เริ่มพุทโธใหม่เนี่ยตอนนี้เ็าเรียกว่ากำลังฝึกฝึกสติอยู่แล้วก็พอเป็นอย่างนี้ต่อไปก็พุทโธไม่หายพุทโธยังพุทโธไปเรื่อยเนาะแต่ไอ้ตัวรู้หายไอ้ตัวสติหายยังพุทโธเหมือนเดิมแหละแต่ แต่ตัวสตินี่ไม่รู้มันหนไปไหนมันหายไปคิดเรื่องอื่นเนอะคือมั น, ม, นมีเอกก็เรียกว่ามันมีความคิดซ้อนขึ้นมาแล้วพอนึกได้ขึ้นมาปับ๊บอ่าก็มารู้พุทโธใหม่พอพุทโธไปพุทโธมาไอสติหายอีกแล้วแต่พุทโธยังไม่หายนะบางทีมันก็มีอยู่แล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาปับ๊บก็มารู้พุทโธใหม่อันนี้ก็เรียกว่าฝึกฝึกรู้อยู่กับพุทโธ ท, ทีนี้เมื่อรู้แล้วเนี่ย มันก็มีขั้นตอนอีกเยอะเนาะเพราะว่าระหว่างพุทโธเนี่ยมันมีความคิดเนี่ยที่จอนมาที่มันซ้อนมันแทรกมันมากมายเลยแต่ทีนี้ว่าถ้าถ้าสติไม่ตั้งมั่นเนี่ยก็จิตเนี่ยมันก็จะไหลไปกับความคิดที่ซ้อนมามันไม่ได้อยู่กับพุทโธแล้วเช่นนะั้นหลวงพ่อยกตัวอย่างนะเช่นว่าพุทโธพุทโธพุทโธแล้วมันมีความคิดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเช่นบอกว่าเสื้อผ้ายังไม่ซักเลยเนี่ยเออทีเนี้ย ถ้าสติไม่แข็งแรงพอจิตไม่ตั้งมั่นเนี่ยมันไปกับความคิดเลยเลิกเลยไปซักผ้าเลยไปซักผ้าแล้วยังไม่รู้ตัวอีงนะตอนนั้นโมว่าความคิดให้ไปซักผ้ามันลากไปเรียบร้อยแล้วก็อยู่ๆก็นึกขึ้นได้ว่าเอา้าเมื่อกี้นี่เราตั้งใจจะนั่งบริกรรมพุทโธอยู่ตอนนี้หลุดมาถึงนี่แล้วก็อาจจะเข้าใจได้ว่าโมไม่รู้สึกตัวเลยความคิดมันลากนะมาให้สักผ้า แต่ทีนี้ว่าถ้าสตินะสติสมาธิตั้งมั่นเนี่ยอยู่กับพุทธโธแล้วมันมีความคิดว่าให้ไปซักผ้าเนี่ยก็ได้แค่รู้แล้วก็ไม่สนใจแล้วก็อยู่กับพุทธโธต่อไปอย่างเนี้ยถ้าฝึกบ่อยๆก็ทําให้สติสมาธิตั้งมั่นนะมันจะเห็นเหมือนกับ ว, ว่าต่อไปเนี่ยเอาเหมือนกับตอนแรกอาคิดให้ไปซักผ้าแล้วก็ไม่ไปแล้วก็พุทธโธพุทธโธแล้วต่อมาเนี่ยมันอาจจะมีความคิด แทรกซ้อนขึ้นมาบอก เ, อเดี๋ยวเดี๋ยวไปฟังธรรมะดีกว่าอ่าอ่าวทีนี้ถ้าไม่ทันนะความคิดก็ลาไปควางธรรมะอีกแหละพุทธโธยังไม่ได้ถึงไหนเลยอ่าเพราะนั้นถ้ามีสติเพียงพอมันก็ไม่ไหลาตามคือไม่ไปตามความคิดก็ให้อยู่กับพุทธโธต่อไปทีนี้พอพุทธโธไปเรื่อยไปเรื่อยมันก็มีความคิดจอนมาอีกไม่รู้มาไม้ไหนอีกใช่ไหมเออเช่นอาจจะเออ ไปเมื่อกี้ซักผ้าแล้วเนาะไปไปอ่านหนังสือแล้วแล้วไปฟังธรรมหรือบางทีเสื้อผ้ายังไม่ซักมันบอกเสื้อผ้ายังไม่ซักเลยวันนีหลายวันแล้ววันแดดก็อย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็พอรู้ไม่ทนันทันความคิดก็ลากไปอีกแล้วแต่ถ้ารู้เท่าทานันไม่ไปอย่าเพิ่งไปให้อยู่กับพุทธโธเอาไว้การที่ทําซ้ําๆแบบเนี้มันจะทําให้ทั้งเกิดสติและก็สมาธิ นะยิ่งขัดใจยิ่งไม่ไปตามยิ่งมีพลังเขาเรียกว่ามีอำนาจจิตคือเป็นสมาธิที่ยิ่งตั้งมั่นแต่ถ้าเราพอมันคิดอะไรไปแล้วไม่ทันไปเลยหรือว่าทาท่าจะทันอยู่แต่ก็ไปเลยอย่างเนี้ยมันคือมันไม่ตั้งมั่นมันไหลเ็าเรียกว่ามันไหลไหลไปตามความคิดเพราะนั้นการฝึกนี่บางทีนะอย่าพิ่งอย่าเพิ่งทาตามที่มันคิด หยุดก่อนอย่าเพิ่งไปหยุดก่อนอย่าเพิ่งไปนะอย่างนี้ก็สะสมกำลังทีนี้ถ้าเราทำต่อเนื่องนานๆเนี่ยกำลังสมาธิก็มั่นคงกำลังของสติก็จะมั่นคงแล้วก็ต่อไปเนี่ยจะชำนาญในการเห็นความคิดพอมันคิดปุ๊บเห็นปับ๊บแต่ก็ไม่ไหลาตามคิดปุ๊บเห็นปับ๊บไม่ไหลาตามจริงอ่ะเราเริ่มต้นจากใช้บริกรรมพุทธโธเป็นฐานที่ตั้งแต่ฝึกไปฝึกมาก็จะเห็นจิตคิดเนาะ ฐานที่ตั้งของสติสมาธิตั้งมั่นก็ไม่ไหลเนี่ยก็ต้องฝึกแบบนี้แหละขั้นต้นๆนะเนาะแต่ทีนี้เมื่อเราฝึกกันมานาะนหลายปีแล้วนี่เอารู้สึกว่าอา่าก็เรียกว่ามันเป็นสมาธิประจำประจําใจไปแล้วจะเพราะว่ามันมีความรู้สึกตัวไงเวลาเดินจะนั่งจะนอนจะยืนเนี่ยเพราะมันมีสติเป็นเป็นต้นทางพอมีสติเป็นต้นทางเสร็จแล้วเนี่ยระหว่างเดินระหว่างนั้นมันก็เห็นความคิดเห็นเห็นเห็นแต่ก็ไม่ไหลาตามเหมือนกัน ตอนนั้นจะเดินจะนั่งจะนอนความคิดมากมายแต่ก็ไม่ทําตามอย่างที่มันคิดเว้นแต่มีเรื่องที่เออเป็นสําคัญอะไรก็ว่าไปตอนนั้นเนี่ยจะเดินจะนั่งมันก็ฝึกสติฝึกสมาธิได้เพราะฉะนั้นความเพียรของเราก็คือเนี่ยเพียรที่จะรู้เห็นจิตคิดนะก็เรียกว่าดูจิตแต่เอาฐานกายมาเป็นฐานหลักถ้าเดินอมนก็พูดเดี๋ยวแต่เมื่อกี้นะถ้าพูดเรื่องเรื่องพุโทโธนะ พุโทโธนี่มันเป็นฐานจิตนะเนี่ยพุทจิตเนี่ยไอ้คาว่าพุโทโธพุโทโธนี่มันคือมันเรื่องของคิดแต่ว่าเจตนาคิดขึ้นมาอืแล้วก็พอพอพอเอาเอาจิตจิตคิดที่ที่เจตนาเนี่ยเป็นคําบริกรรมเนี่ยเป็นเครื่องอยู่เสร็จแล้วเนี่ยไอ้ความคิดอื่นๆก็เรียกว่าเป็นเป็นความคิดที่จอนมาโดยไม่ เ, เจตนาโดยไม่จงใจนะแต่คําบริกรรมพุโทโธเนี่ยเป็นการเจตนาจงใจเพื่อทําเป็น เป็นเสาหลักเอาไว้อ่าเป็นเครื่องผูกผูกจิตไม่ให้มันไปคิดแต่ก็ไม่ใช่ว่าผูกชนิดที่แบบสะกดจิตไม่ให้คิดเลยไม่ใช่มันคิดก็รู้ไปนะเพราะนั้นไอ้จิตที่มันมันคิดมันซ้อนขึ้นมาโดยไม่เจตนาโดยไม่จงใจตรงเนี้ยมันสามารถเดินปัญญาหรือว่าเดินวิปัสสนาได้ก็คือว่าให้เห็นว่าไอ้จิตที่มันมันซ้อนคิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดเองดับเองเกิดเองดับเอง เราไม่ได้มามาเป็นผู้คิดเราไม่ได้เป็นผู้ดับเนาะก็จะเห็นตามความเป็นจริงว่าเนี่ยจิตเนียเกิดเองดับเองได้แล้วเมื่อจเจริญให้มากมันก็จะเพิกถอนความยึดมั่นถือมั่นว่าจิตจิตคิดเนี้ยมันไม่ใช่เรานี่คือเดินปัญญาเนาะ <S <S แล้วก็พอเดินปัญญาบ่อยๆมันก็จะเข้าใจเองแล้วว่าอ๋อไอ้แค่นี้เป็นแค่สิ่งปรากฏเนาะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดา มันก็เข้าใจได้แล้วก็ไม่ไม่ก็เรียกว่าไม่หงุดหงิดกับสิ่งพวกนั้นเพราะว่ารู้ว่ามันเกิดเองดับเองแล้วก็มันแค่เกิดไม่ได้ทำร้ายจิตใจอะไรเลยออันนี้ภาคภาคเบื้องต้นนะเบื้องต้นเป็นอย่างนี้ต่อมาอันนี้หลวงพ่อก็มาพูดถึงเรื่องผู้รู้คือเวลาเราบริกรรมพุทโธอ่ะเหมือนกับว่ามีตัวเราเป็นผู้มีตัวเราเนี่ยเป็นผู้ผู้บริกรรมพุทโธ แล้วก็มีตัวเราเป็นผู้เห็นจิตที่มันคิดซ้อนขึ้นมาเห็นไหมมันจะเป็นตัวเราแต่ทีนี้ถ้าย้อนกลับมาที่ตัวเราที่เป็นผู้ดูผู้รู้เนี่ยก็จะเห็นว่าไ อ, ไอตัวเราที่เป็นผู้ดูผู้รู้มันก็เกิดดับเหมือนกันเพราะบางทีมันรู้บางทีไม่รู้ใช่ไหมมันไม่ได้รู้ตลอดเวลาก็เลยเข้าใจว่าอ๋อไอตัวเราผู้ปฏิบัติธรรมผู้นั่งทาสมาธิกุศลจิยไอตัวนี้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกัน แล้วก็ต้องปล่อยวางเหมือนกันนะไอ้ตัวนี้จะดูยากหน่อยไอ้ตัวที่ที่ย้อนกลับมาดูตัวตัวเองอะ่ะยากหน่อยเพราะว่ามันมัวแต่เพลินอยู่กับดูสิ่งอื่นเหมือนกับไปดูแต่ผนังแต่ไม่เห็นตัวเองที่เป็นผู้ดูเพราะนั้นถ้าดูตัวเองเป็นแล้วเนี่ยก็จะเห็นบ่อยๆว่าขณะที่นั่งทาสมาธิแบบนั้นเนี่ยมันก็เห็นตัวเรานั่งดูนั่งนั่งคิดนั่งรู้อะไรอยู่เนี่ยแล้วก็ปล่อยวางมันแล้วก็จะทาให้พบ รู้อีกรู้หนึ่งที่มารู้ตัวเราที่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยพอพอผู้รู้ที่ที่มารู้เราเสร็จแล้วเนี่ยก็จะรู้เลยว่าไอ้รู้อันนั้นแล้วเป็นรู้ที่หลุดพ้นจากตัวเราแล้วก็จะเริญเรื่องนี้ให้มากก็หมายความว่าให้รู้เราบ่อยๆรู้เราทั้งตัวแล้วก็ในตัวเกิดอะไรขึ้นก็ก็เพียรรู้เพียรรู้เป็นความเพียรอย่างนี้แล้วก็จะพ้นทุกในปัจจุบันทุกครั้งที่รู้ตัว ไม่รู้ตามทันไหมแต่ถ้าคนท่เคยฝึกไอ้อะไรนะเาเรียกว่าบริกรรมพุโทโธเนี่ยที่หลวงพ่อพูดมาย่อๆน่าจะเข้าใจได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองฝึก อ, อยู่ในขั้นตอนไหนแล้วหลวงพ่อพูดให้ให้ฟังเป็นขั้นตอนที่อาจจะยังไม่เคยรู้จักหรืออาจจะรู้จักแล้วและก็ปฏิบัติอยู่แล้วก็แล้วแต่นะหลวงพ่อก็พูดในส่วนเรื่องการฝึกบริกรรมพุโทโธไว้แค่นี้ ส่วนแนวหลวงพ่อเทียนบ้างอหลวงพ่อเทียนเนี่ยหลวงพ่อก็ฝึกมาจากสายเริ่มต้นจากทางนี้โดยตรงเลยก็คือฝึกกับรู้กายเคลื่อนไหวนะเดินกายเดินเดินเรียกว่าเดินจงกรมเดินกลับไปกลับมาเกือบไปกลับม า, ก, บ ก, บมาก็รู้รู้ตัวว่าเออว่าตัวมันเดินแต่หลวงพ่อไม่ค่อยถ้าเดินหลวงพ่อไม่ค่อยเพ่งมากเนาะแต่ถ้ายกมือเนี่ยหลวงพ่อค่อนข้างจะเพ่ง แต่ก็แล้วแต่บางทีก็ยกแบบสบายสบายไม่ได้เพ่งแต่บางทีมันเพ่งเพราะมันเป็นมือใหม่ไงก็ไม่รู้เพราะว่าเขาบอกให้รู้สึกตัวเราก็เข้าใจว่าต้องรู้ตลอดเวลาเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เพ่งจ้องแบบโอ้โหแบบไม่พลาดสายตาเลยแบบเนี้ยอ่แต่เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าหลวงพ่อก็ฝึกรู้สึกตัวกับกายเคลื่อนไหวนะแต่ทีนี้จะพูดแบบอาจจะไม่ไม่ละเอียดพอแต่ก็ชี้ให้เห็นอะไรบางอย่าง อ่าสมมุติหลวงพ่อพูดถึงกรณีเดินนะเดินก็รู้กายเดินมันก็รู้นี่รู้ตัวรู้ตัวแต่หูก็ได้ยินนะมันได้ยินตาก็มองเห็นแต่ว่าเน้นเรื่องรู้ตัวพอรู้ตัวไปแบบเนี้ยมันก็รู้จักแล้วว่านี่แบบเนี้ยคือตั ว, ต, วตัวเคลื่อนไหวกายเคลื่อนไหวก็รู้รู้รู้แต่ความเป็นจริงอะ่ะระหว่างเดินเนี่ยมันก็มีความคิดเนาะมันมีความคิดคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ แต่ว่าตอนฝึกใหม่ๆเหมือนกับว่าครูาอาจารย์ท่านสอนท่านบอกว่าอย่าเพิ่งสนใจเรื่องอื่นนะให้รู้ที่กายเคลื่อนไหวอย่างเดียวไปก่อนให้มันตั้งมั่นอย่าอย่าเพิ่งไปดูความคิดอย่าเพิ่งอะไรไม่งั้นเดี๋ยวดูไม่ทันความคิดลากหมดอพอดูกายเคลื่อนไหวก็ดูไปบางทีก็ก็เห็นความคิดแต่ใหม่ๆเนี่ยมันเหมือนความรู้สึกนะว่าไม่เห็นเลยความคิดมันยังเคยพูดกับตัวเองว่าทาไมเราไม่เห็นความคิดเลย มันไม่รู้จริงๆนะทั้งๆ ท, ที่กำลังคิดว่าทำไมเราไม่เห็นความคิดแต่ก็ไม่รู้ว่าคิดเอาละทีนี้ก็เดินเดินได้มากมันมีอยู่คราวหนึ่งหลวงพ่อก็เดินอยู่ข้างบ้านเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาแล้วมันมีความคิดผุดขึ้นว่าให้ไปล้างรถเนี่ให้ไปล้างรถตรงนี้หลวงพ่อมันมาเห็นตอนไหนมันเห็นตรงที่หลวงพ่อเนี่ยก้าวขาออกจาก ไอ้ทางที่เดินจงกรมอ่ะพอยกขายกขาเพื่อที่จะจะไปล้างรถนั่นแหละแต่นี้พอยกปั๊บขายังไม่เหมือนกับมันยังไม่ทันลงเลยอ่ะมันเห็นเลยว่าเมื่อกี้เนี่ยมันคิดว่าให้ไปล้างรถถึงตรงนี้หลวงพ่อดีใจมากเลยแล้วก็แบบพูดในทํานองนี้นะบอกไอ้บ้าเอ้ยกูรู้จักมึงแล้วกูรู้จักมึงแล้วไอ้เจ้าความคิดไอเนี้ยคล้ายๆว่าเหมือนกับเจอความคิดครั้งแรกที่เจอจริงๆนะ ไอ้บ้าเอ้ยมี่เองที่ลากให้เราไปทําดีทําชั่วเนี่ยไอ้ตัวความคิดเนี่ยรู้จักแล้วรู้จักแล้วเมื่อกี้เนี่ยมันให้ไปล้างรถโอ้โหเห็นชัดๆเลยอพอเห็นอย่างนี้เสร็จแล้วหลวงพ่อก็ไม่ไปสิเพราะรู้ทันแล้วหลวงพ่อก็เดินอย่างเก่าพอเดินไปเดินมาความรู้สึกใครๆว่ามันอยากจะเห็นความคิดอีกแล้วพราะมันเห็นครั้งนึงเนาะมันก็อยากเห็นความคิดแต่ตอนนั้นนะไอ้คิดเต็มหัวแล้วแหละแต่ก็ยังไม่รู้อีกว่าคิด หลวงพ่อก็เดินไปเรื่อยๆพอต่อมาอีกมันก็เหมือนกันเลยพอก้าวขาจะออกจากทางจงกรมเนอะมันเห็นเลยว่าเมื่อกี้มันคิดว่าให้ไปฟังธรรมะเนี่ให้ไปฟังธรรมะหลวงพว่อเขาโอ้แบบเหมือนกับความรู้สึกว่าสะใจมากเลยที่เห็นความคิดแล้วก็พูดอีกเจอแล้วรู้จักมึงแล้วไอ้ไอ้ความคิดที่หลวงพ่อเทียนบอกว่าอ่ารู้กายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิด รู้จักเจ้าแล้วความคิดคืออย่างนี้อย่างนี้โอ้หมันดีใจมากเลยนะอืมดีใจทีนี้หลังจากนั้นอีกหลวงพ่อก็เดินไปเรื่อยแต่ความรู้สึกว่าอยากเห็นความคิดมากเลยอะ่ะแต่ก็ไม่เห็นอยู่ดีไม่เห็นก็เดินไปเรื่อยเื่อยจนกระทั่งไม่เห็นความคิดเลยหลังจากนั้นอมหมายถึงว่าในการเดินวันนั้นนะะไม่เห็นความคิดเลยก็เลยว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกมากเนอะความคิดถ้ารู้ไม่เป็นมันก็ มนรู้ไม่ได้เลยอ่ะ ท, ทั้งที่คิดอยู่ตลอดเวลาหลวงพ่อ ก, ก็มานึกถึงอย่างพวกเราเนี่ยนะที่มาคุยกันก็คงเป็นเหมือนเรามั้งไม่รู้จักความคิดไม่เห็นความคิดแต่บางคนอาจจะเห็นเร็วเนาะรู้สึกว่าเห็นไม่เร็วเห็นช้าเพราะว่าตอนนั้นมันจริงมันก็ฝึกมาเยอะแล้วแหลนะเนาะแต่มันไม่เห็นแบบจังๆไงมันไม่เห็นแบบจังๆมันมีแต่เข้าไปเป็นแต่ ที่หลวงพ่อยกตัวอย่างมาสองเรื่องอ่ะอันเนี้ยเขาเรียกว่าเห็นความคิดแต่ไม่เข้าไปเป็นเหตุที่ใช้คำว่าไม่เข้าไปเป็นเพราะว่ามันคิดให้ไปล้างรถใช่หมถ้าเราเข้าไปเป็นคือเราไม่เห็นความคิดแล้วเราก็ไปไปล้างรถเลยนี่เขาเรียกว่าไหลาตามไหลาตามความคิดในครั้งที่สองก็เหมือนกันมันคิดบอกว่าให้ไปอ่านหนังสือให้ไปฟังธรรมะะมันก็เห็นแต่ก็ไม่ไหลาตามคือไม่ไม่ไป แล้วสุดท้ายความคิดนั้นมันก็เกิดจึ๊กเดียวมันก็ดับแล้วก็ไม่ไปก็จนเข้าใจเลยว่าอ๋อการที่เห็นความคิดแล้วไม่เข้าไปเป็นเนี่ยคือกรณีอย่างนี้คือไม่เข้าไปทำไม่เข้าไปพูดหรืออะไรเนี่ยตามที่มันคิดแต่กว่าจะเห็นความคิดอย่างอื่นค่อนข้างยากแต่บางครั้งบางคราวเมื่อไม่เห็นความคิดหลวงพ่อเจตนาคิดเสเองเลยนับหนึ่งสองส อ, งอพอนับปั๊บรู้เข็นเลยว่าคิด อ่าบางทีก็ท่องพุทโธเลยพุทโธอ้าเห็นเลยพอพ อ, พอท่องปับ๊บรู้เลยว่ากำลังคิดเรื่องพุทโธหรือว่ากำลังคิดเรื่องนับเลขหรือจะคิดอะไรก็ได้แต่เจตนาคิดถ้าเจตนาเนี่ยมันเห็นง่ายเพราะว่ามันมีตัวเจตนากระทําเนาะเจตนาคิดอะไรมันก็เห็นจะนับเลขจะคิดถึงชื่อคนนั้นคนนี้หรือจะท่องนับโมตัสซาพระคาวาโตอา้ามันเห็นหมดมันก็เลยอาศัยเจตนา พอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วหลวงพ่อก็เออต่อไปก็เจตนาคิดขึ้นมาเพื่อที่จะให้เกิดการรู้จักความคิดเนาะว่าเออความคิดคือมันมีลักษณะแบบนี้เจตนาก็มันจะทำให้รู้ก็เหมือนกับการเดินจงกรมอะ่ะถ้าเราเดินในชีวิตประจำวันนะเดินแบบไม่เจตนาเนี่ยมันไม่รู้หรอกก็เลยเจตนาเดินซะเลยพอเจตนาเดินมันก็รู้สิเออพอเจตนาเนาะหรือว่ายกมือก็เหมือนกัน นะยกมือนี่วันๆหนึ่งเนะี่ยยกมือไปยกมือมายกมือขึ้นยกมือลงสารพัดแต่ไม่รู้เพราะไม่ได้เจตนามันเป็นสัญชาตญาณแต่พอเจตนายกมือสิบสี่จังว่ามันรู้เลยพอยกมันรู้ทันทีอ่ะพอยกพอพิข์พอ่พอคู่พอเยดมันรู้เลยอันนี้ที่รู้เพราะว่าเจตนาทำขึ้นมาอ่าพอถึงตอนนี้ก็เลยหลวงพ่อก็เข้าใจได้ว่าใหม่ๆเนี่ยจะต้องเจตนากระทาก่อน เจตนาเดินเจตนายกมือหรือเจตนาบริกรรมพุทโธต้องเจตนาแล้วถึงจะบีสติแต่ตรงนี้ถ้าเจตนาเนี่ยจริงจริงมันก็เป็นยังมีน้ำหนักเนาะยังมีน้ำหนักเพราะว่ามันเอาตัวเราไปทําแต่ถ้าไม่เจตนาพอตอนหลังมันก็เป็นประสบการณ์เนาะประสบการณ์จากการที่ไม่เจตนาแต่แต่มันรู้ได้ อางที่หลวงพ่อเคยเล่าเรื่องการเหยียบเปลือกกล้วยแล้วมันลื่นอย่างเงี้ยเนาะหรือว่าตกบันไดบ้านหรือว่าอะไรก็แต่เพื่อนถีบกระเด็นอย่างเงี้ยหรือโดนอะไรกระแทกกระเด็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือไม่มีเจตนามันจะเบาวิวนะร่างกายที่เคลื่อนไหวมันก็เคลื่อนแบบเบาหวิวอ่ะอการรู้ก็รู้แบบเบาวิวก็เลยรู้จักขึ้นมาว่าบางครัง้งบางคราวการรู้เนี่ยยังมีการเจตนาที่จะรู้ หรือบางทีกายเคลื่อนไหวยังมีเจตนาที่จะให้กายเคลื่อนไหวแต่บางกรณีไม่ได้มีเจตนารู้แต่มันก็รู้ได้ไม่มีเจตนาที่จะให้กายเคลื่อนไหวแต่มันก็เคลื่อนไหวได้ก็เลยรู้จักสองประเภทนี้ขึ้นมาว่าอ๋อการปฏิบัติธรรมของเราเนาะมันก็บางครั้งมันก็แน่นอนนะต้องเจตนาบางครั้งไม่ต้องเจตนาแต่มันก็รู้ได้ก็เลยเป็นปัญญาที่สะสมไปเรื่อยๆนะถ้าพูดแล้วมันก็ยาวแต่ว่าเอาเป็น ให้พอเข้าใจได้ว่าเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันจะต้องเอาตัวเรานี่แหละเอาตัวเราไปฝึกเลยแล้วก็เจตนากระทําอะไรบางอย่างตามอุบายที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนนะแต่เมื่อปฏิบัติไปเนี่ยมีการสังเกตแล้วก็จะรู้เองว่าเออเนะทุกอย่างที่ฝึกมานะมีทั้งเจตนาทั้งไม่เจตนาเออแล้วก็ต่อมาก็เป็นการพัฒนาคือต้องอ่านต้องฟังผู้อื่น เพื่อจะต่อยอดในทางปัญญาว่าเราปฏิบัติธรรมนี่มันเพื่ออะไรล่ะไม่ใช่เพื่อแค่รู้แค่นี้มันพอแล้วก็เลยรู้ว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะต้องเกิดปัญญานะเกิดปัญญาให้รู้เห็นว่าไอ้กายเนี้ยจิตเนี้ยมันมีความแปรปรวนนะมีความไม่เที่ยงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากลับไปกลับมานะร่างกายก็มีความเปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมาเวทนาที่อยู่ในกาย ความไม่สบายกายความความเย็นความร้อนอ่อนแข็งที่เกิดในกายมันก็แปรปวนเนาะแล้วก็เรื่องจิตนะจิตเนี่ยมันมีทั้งความคิดมีทั้งความคิดเดี๋ยวคิดเรื่องโน้นเดี๋ยวคิดเรื่องนี้เดี๋ยวหยุดคิดอ่ามันก็แปรปวนอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตในใจนะความสุขความทุกข์ความไม่สบายใจทั้งหลายมันก็แปรปวนนะเห็นความแปรปวนอย่างเนี้ยจนกระทั่งว่า เกิดปัญญาแจ่มแจ้งว่ามันเป็นสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาอย่าได้หลงไปยึดถือสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดทั้งสิ้นเนาะให้มันมีของมันอย่างนั้นแหละอะไรเกิดขึ้นก็มีสติรับรู้รู้แล้วก็คืออย่าได้หลงไปยึดถือเออเมื่อรู้แล้วเนาะก็คือจะเรียกว่าปล่อยวางก็ได้เรียกว่าไม่ยึดถือก็ได้ให้มันปรากฏเกเกไปอย่างนั้นแหละความสุขความทุกข์ปรากฏก็คือรู้แล้วก็มันก็ดับไป อันนี้คือเดินทางเขาเรียก ว, ว่าเดินปัญญาเพราะฉะนั้นพวกเราถ้าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยลองดูถ้าที่หลวงพ่อพูดมาอย่างย่อๆเนาะมันอยู่ในขั้นตอนไหนถ้าถึงขั้นตอนนั้นแล้วก็รู้แล้วว่าเออทำอย่างนั้นแต่ขั้นตอนที่ยังไม่ได้เพิ่มเนาะยังไม่ได้ต่อยอดก็ไปต่อยอดเราเองเพื่อให้เกิดปัญญาแล้วก็รู้ละปล่อยวางในปัจจุบันชาตินี้แล้วก็ได้แต่รู้แล้วก็ไม่ยึดอะไรเลยแค่นี้มันก็พ้นทุกข์ได้